ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายพระสูตรที่จะกล่าวในวันนี้ก็คือปายาสิราชั ญ, ญสูตรซึ่งได้กล่าวมาแล้วในวันก่อนรเรื่องมิชาทิฐิในชั้นของศีลธรรมจันจาที่ถือว่าเป็นฐานสำคัญอันจะนำไปสู่สัมมาทิฐิเบื้องสูงขึ้นไปนั่น ก็มีอยู่สิประการคือปฏิเสธว่าทานไม่มีผลการบูชาไม่มีผลพิธิกรรมต่างๆไม่มีผลมานดาไม่มีบิดาไม่มีโลกหน้าไม่มีโลกอื่นไม่มีกรรมที่คนกระทาทั้งดีทั้งชั่วไม่มีคนที่สามารถประพฤติปฏิบัติให้มีความสะอาดสูงขึ้นจนบรรลุผล ในทางาศาสนาก็ไม่มีแล้วมาสรุปลงที่สัตว์ที่เรียกว่าโอปปาติกะไม่มีพระเจ้าปายาสินั้นท่านมีมิจฉาทิฏฐิอยู่สองข้อคือข้อที่ว่าโลกหน้าไม่มีกับโอปปาติกะไม่มีเมื่อท่านมาเรียนถามพระ ก, กุมารกัสสะวันก่อนนั้นพูดมาถึงตอนที่พระเถระได้ชี้เห็นว่า บรรดาดวงดาวทั้งหลายที่มีอยู่ในท้องฟ้าในข่วงจักรวาลเป็นนั้นมากนั้นเป็นของมีอยู่หรือไม่ท่านก็บอกว่าไม่ท่านก็บอกว่ามีอยู่ปฏิรา์ก็สรุปว่าอย่างนั้นแหละโลกอื่นจึงมีด้วยแต่พระเจ้าปายาสิก็ปฏิเสธในตอนต่อไปนั้นเป็นการพูดกันถึงคนที่จะไปเกิด ด้วยความมีอยู่ในโลกหน้าในแง่ที่พระเจ้าปายาสิท่านก็ถือว่าท่านผ่านการพิสูจน์ทดสอบมามากแล้วเช่นเดียวกันแต่เป็นที่น่าสังเกตว่าพระเจ้าปายาสินั้นยอมรับถึงการกระทรรมที่เรียกว่าสุจริตกระทุจริตตามที่เขาเชื่อถือกันแต่ท่านเองท่านก็ไม่เชื่อเท่านั้นท่านบอกว่า ท่านเคยสั่งญาติพี่น้องเพื่อนขูงของท่านที่ประพฤติผิดตามหลักของอกุศลกำบทสิประการมีการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการพูดเท็จพูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดเพื่อเจริญเรื่อยโลภอยากได้ของคนอื่นพยาบาทฟ้องร้ายบุคคลอื่นและเห็นผิดจากทํานองครองธรรมโดยก่อนที่จะตายเนี่ยท่านก็สั่งว่าเออยังไงยังไงเวลาคุณตายเนี่ยถ้ามีนรกมาแลนะชื่อบอกด้วย พีฉันเองก็ไม่เชื่อว่ามีนรกก็ขอยมาบอกสั่งคนแล้วคนเล่าไม่เคยมาบอกเลยสักคนพระกุมารกัสปะก็ได้แสดงโดยอุปมาว่ามหาภพิษเคยจับคนมาขังในคุกไหมเคยจับมาเยอะแยะคนที่ทำผิดแล้วถ้าคนเหล่านั้นเขาต้องการจะไปบอกญาติพี่น้องเขานอกคุก ว่าโคกนั้นมีความทุกข์ทรมานอย่างนั้นอย่างนั้นท่านทั้งหลายจะได้ทําบาปทํากรรมเพื่อติดคุกเลยจะยอมให้เขาไปไหรือเปล่าบอกว่ายอมได้ยังไงก็อยู่ในคุกมันติดสั่งสั่งให้ติดคุกยังไม่ได้โคกโปรดโทษบออกไปไม่ได้พระกุมารกัจสปะก็กล่าวว่าอย่างเดียวกันแหละคือคนที่มันตกนรกเนี่ไม่มีโอกาสที่จะมาได้เพราะว่ากรรมมันยังไม่สิน้น ในนิรบานก็ไม่ปล่อยให้มาจากนรกเออุปมาแล้วท่านก็บอกว่าที่จริงก็จริงแต่ผมก็ไม่เชื่อว่าโลกหน้าจะมีสัตว์ผู้ลอยเกิดจะมีทีนี้ก็พูดถึงเรื่องสุขติท่านก็บอกว่าอนอกจากพวกที่ทำบาปทำกรรมตายไปแล้วไม่กลับมาบอกแม้แต่พวกที่ทาความดีคือประพฤติในกุลกบบศลกระบดศการ เรตรงกันข้ามกับที่กล่าแล้วนะครับก็สั่งไปคนแล้วคนเล่าก็ไม่เคยมาบอกอีกสักคนเหมือนกันพระกุมารากัศปะก็ได้กล่าวอุปมาสองอุปมาให้ดูอุปมาแรกก็คือว่าเหมือนกับคนที่ตกลงไปในหลุมคูดถึงสุก็ปรกด้วยประการต่างๆแล้วก็มีคนช่วยให้ขึ้นพ้นมาจากหลุมคูดตอนนั้นมาถึงอาบน้าอาบท่า ขัดสีชวีวันเรียบร้อยให้อยู่บนปราสาทที่สบายสบายถามมาคนเหล่านั้นเขาอยากจะ ก, กระโดดไปหลุมคูดอีกหรือเปล่ า, ามองไม่มีใครต้องการจะกระโดดไปหรอกรักุมารรักสปะบอกก็เช่นเดียวกันแหละคือคนที่เขาอยู่บนสวรรค์แล้วเนี่ยเขาไม่ลงมาในโลกมนุษ ย, ย์เขาไม่ต้องการที่จะลงมาทีนี้โดยอุปมาอีกข้อหนึ่งคือพูดถึงเรื่องการเวลา นั้นบอกว่าวันหนึ่งในสวรรค์นั้นพูดที่ดาวดึงนะครับว่าวันหนึ่งในสวรรค์ชั้นดาวดึงนั้นก็เท่ากับร้อยปีของเมืองมนุษย์ที่จริงญาติเหล่านั้นก็คงจะตั้งใจสมมติว่าตั้งใจจะมาเนี่ยแต่ว่าคิดว่าจะนอนสักจะเพลิดเพลินกับทิพยสมบัติสักวันสองวันก่อนแล้วจะมามาพิธิคิดว่ามาแล้วจะพบกันได้ไหม มันบอกจะพบกันได้ยังไงตอนนั้นผมก็ตายไปแล้วคือจะอยู่สักสองวันมันก็โลภมันก็ผ่านไปสองปีแล้วก็บอกก็มาไม่ได้ก็ท่านก็คงจะตายไปหมดแล้วแม้แต่ลูกหลานก็คงจะไม่เดือแล้วนี่ก็เป็นอุปมาที่พระเถระได้แสดงให้ฟังมาโดยลําดับในตอนนี้ท่านก็ไม่พูดเรื่องโลกอื่นแล้วที่นี้ท่านก็มาพูดถึงว่าไอ้สิ่งที่มันจะออกไป เอาไปจากร่างซึ่งในพระสูตรนี้ใช้คำว่าชีวะท่านทั้งหลายได้โปรดสังเกตนะว่าไอ้ถ้อยคาเหล่านี้เป็นคาสมมติบัญญัติเรียกบางครั้งเราก็อาศัยภาษาถิน่นหรือภาษาที่เขาเข้าใจนั่นเองเอามาพูดเมื่อมีเนื้อหาพ้องกันตรงกันเราก็เอามาใช้กันได้เพราะาภาษาเป็นเรื่องของการสมมติบัญญตัติคำว่าชีโวหรือชีวะเนี่ย ที่จริงที่รบแปลว่าชีพนะชีพร่างกายรบเรวสรีระจิตรบแปวาชีพนี้ก็เป็นความเชื่อถือของคนในก่อนพุทธสมัยแต่พระเจ้าบายาสิท่านท่านเข้าใจคำนี้แต่คำนี้โดยความหมายแล้วมันก็ตรงกับจิตหรือปฏิสนธิวิญญาณแต่ไม่ได้ตรงกันทั้งหมดนะเพราะว่าเขาถือว่าเที่ยงชีวะนี่มันเที่ยงเราเราก็ไม่ถือว่ามันเที่ยงอะไร เป็นเพียงแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นสืบเนื่องกันไปตามเหตุปัจจัยคำในประโยคนี้จึงแปลกออกไปหน่อยคือใช้คำว่าชีวะชีวะก็คือตัวปฏิสนธิวิญญาณหรือจุดจิตจิตนั่นเองเอท่านบอกว่าเวลานักโทษจะตายเนี่ยท่านก็สั่งให้เจ้าหนะ้าที่พยายามอย่าให้มีแผลเลยสักแผลเดียวแล้วก่อนอยะดับจิตก็มานั่งดูอยู่เนี่ย อไอดูซิไอ้สิ่งที่จะไปเกิดมันออกไปทางไหนไม่เห็นออกสักคนตดลองคนแล้วคนเล่าคนแล้วคนล่าก็าาาาเหมือนกันไม่เห็นออกไปก็แสดงว่าไม่มีอะไรออกไปและไปหนําซ้ำเนี่ยร่างกายของคนเหล่านี้แสดงว่าไม่มีอะไรออกไปเลยเพราะมันหนักเพิ่มขึ้นหนักเพิ่มขึ้นเืยซ้ำไปในข้อนี้พระเถระอุปมาให้ฟังอยู่สองตอนตอนแรกคือเรื่องหนักเบา น้ำหนักเบาท่านอุปมาว่าเหมือนกับเหล็กที่ผอไฟกับเหล็กที่ไม่ได้เผาไฟน้ำหนักไม่เท่ากันอันนี้วิทยาศาสตร์ก็ว่ายังไงไม่ทราบนะฮะเอลองทดสอบกันดูได้คนเราก็เหมือนกันคือถ้ามีไอสิ่งประกอบของชีวิตที่สําคัญน่ยคืออายุไออุ่นวิญญาณนะอายุไออุ่นวิญญาณ3อย่างเนี่ยถ้าแกมี3อย่างนี้ร่างกายมันก็อ่อนแล้วก็มีความเบา สามารถที่จะเคลื่อนไหวไปได้แต่ถ้าอายุดับวิญญาณดับไอุ่นดับมันจะมีความหนักแล้วทัางก็อุปมาด้วยเหล็กอย่างที่ว่าคือเหล็กที่ไม่เผาไฟกับเหล็กที่เผาไฟนะั้นน้ำหนักจะแตกต่างกันในกรณีที่ไม่เห็นสิ่งซึ่งออกไปเนี่ยปฏิ ร, ะ, ระอุปมาว่ามาวาพิษเคยบรรทมหลับ ท่ากลางคนที่ห้อมล้อมอยู่บ้างไหมเคยหลับบ่อยแลวเคยฝันสุบินไปในที่ต่างๆบ้างไหมเคยเหมือนกันแล้วมีคนใกล้ชิดเคยเห็นชีวะของบมพิษออกไปจากร่างไหมก็ไม่เห็นใกล้ไม่เห็นแล้วมาพิษฝันไปในที่นั้นตอนนั้นหรือเปล่าทั้งบอกก็ไปเอาแล้วทำไมไม่มีคนเห็นนั้งก็ตอบไม่ได้ บอกก็เป็นเช่นเดียวกันคือสิ่งที่ไปเกิดนี่ไม่ได้มีรูปร่างที่จะเห็นด้วยประสาทสัมผัสอย่างนั้นแต่ก็มีการไปเกิดในกําเนิดต่างๆเพราะงั้นโลกหน้าจึงมีสัตว์ที่ลอยเกิดจึงมีทุกครั้งนะฮะท่านจะมาสรุปตรงนี้ทุกครั้งพระเจ้าพญาสิก็ไม่เชื่อบอกว่าท่านนอกจากว่าท่านจะไม่ให้มีแผลแล้วท่านเคยชำแหละดูคือนักโทษ ที่ถูกประหารชีวิตได้ถึงคราวจะตายก็แทนที่จะฆ่าตามกรรมวิธีที่กฎหมายก็กําหนดแต่ก็ชักจะเพี้ยนเพียนอยู่พอสมควรคือเอาเพื่อนมาชำระเอาจําแหละดูเลิกดูไม่อะไรออกไปบ้างไงจํชำระทีลชิ้นทีลชิ้นทีละชิ้ น, น, น, นออกมาไม่เห็นมีอะไรไม่เห็นมีอะไรเลยพระกุมารากัดสปะก็บอกว่าการกระทําของมหาบาพิธเนี่ย มันเหมือนกับคนที่เรียกอะไรหาเสียงสังหาเสียงสังคือมีคนคนหนึ่งเนี่ยไปเที่ยวในที่แห่งหนึ่งมีคนชุมนุมกันอยู่มากแล้วเขาก็เป่าสังขึ้นด้วยเสียงที่ไปเราะแล้วก็วางไบคนก็วิ่งกันมาดูเอ๊ะอนี่มันร้องได้ร้องได้เพราะด้วยมาถึงก็ถามว่าอะไร ก็บอกข้อสั่งคนก็มาล้อมบอกข้อสังในร้องเพลงให้ฟังหน่อยพอสังร้องเพลงฟังหน่อยมาเคาะบ้างมาพูดบ้างอ้ อ, อนวอนบ้างไม่เห็นร้องเจ้าของสังเขาบอกเออคนเหล่านี้มันหาเสียงสังที่แปลกคือไม่ได้นึกถึงว่าเสียงสังนั้นมันต้องประกอบด้วยคนด้วยสังด้วยความพยายามและโดยการเป่ามันต้องมีองค์ประกอบอยู่สามอย่าง คือไม่นิ่งมันจะมีเสียงขึ้นมาได้แต่ถ้าขาดองค์ประกอบไปอย่างใดอย่างหนึ่งถึงแม้จะมีคนมีสังไม่มีความพยายามไม่มีการเป่ามันก็ก็ไม่มีเสียงจะต้องครบองค์ประกอบถึงสามอย่างจะมีเสียงขึ้นมาและคนเหล่านี้ก็ไม่ฉลาดท่าก็เป่าสังให้ดูทีหนึ่งก็ลุกขึ้นไปพราะะ น, นความคิดในการชำละคนเพื่อหาจิตหรือชีวะอะไรที่ออกไปจากร่างของ พระกุมารกัจจปะมันก็มีลักษณะเดียวกับคนที่แสวงหาเสียงสัง่งแต่แล้วท่านก็ยังไม่เชื่ออีกไม่เชื่ออีกพระเทระก็อุปมาให้ฟังเล่าถึงชุดดินบูชาวไฟก็มีได้ลูกเล็กๆบางคนน่งก็สอนให้บูชาวไฟคือการบูชาวไฟเนี่ยเขาจะติดไฟเอาไว้ตลอด จนคล้ายๆกับไฟที่ท่า ท, ะะาทัะน์อสมบูรณที่เมืองพาราณสีนะมันก็ก่อไฟกันมาตั้งก่อนสมัยพุทธกาลปัจจุบันยังไม่เคยดับเลยก็ก่อกันอยู่เรื่อยออฉันบอกว่าวันหนึ่งชะดินไม่อยู่ก็เรียกลูกมาบอกว่าให้เจ้าพยายามเติมเชื้อไฟที่กองไฟของพ่อแต่ไฟมันดับก็ให้ สีไฟขึ้นมาไปชีบไปที่ไม้สีไฟึงหว่างไว้พอดีเด็กไม่เล่นเพลินๆไยดับก็ตกใจว่าพ่อสั่งว่าก็ให้ไปสีไฟแกก็ไม่เข้าใจวิธีที่จะสีไฟก็จัดการเอาไม้สีไฟมาผ่าผ่าพ่า่ า, า, าหาไฟไม่เจอ ออมาพาอีกเป็นชิ้นเล็กไม่เจอตามคลอกเลยทีนี้หาไฟไม่เจอพอมาถึงก็ไฟดับเรียบร้อยไปแล้วไม้สีไฟก็พังไปแล้วไปบอกว่าเออไอเด็กนี่มันก็โง่เหลือเกินนะเนี่ยจะหาไฟด้วยวิธีการที่ไม่ฉลาดมันก็เหมือนกับหาบอพิษหาปฏิสนธิวิญญาณหาจิติจจิตที่จะออกไปจากร่างด้วยวิธีการที่ไม่ฉลาดเหมือนกับเด็ก ที่หาไฟจากไม้สีไฟแล้วเอาไม้สีไฟไปผ่าไปทำเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ตำลงในครกนะ่ะมันไม่ใช่วิธีการเออซึ่งสรุปเฉพาะในตอนนี้ท่านทั้งหลายจะเห็นเรื่องอยู่หลายเรื่องที่เป็นวาทะของพระอรหันต์แล้วก็โต้เรื่องนี้กันโดยเฉพาะนะพูดเรื่องนี้กันโดยเฉพาะในการอธิบายพระสูตร ที่เกีย่ยวกับสมาธิทิฏเกีย่ยวกับมิจฉาทิฏฐิท่วากินใน10ข้อเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เคยแสดงในรูปเดียวกันเนี่ยบอกว่าทั้งหมดเนี่ยคือว่าการบูชาก็มีการให้ทานก็มีผลการบูชาก็มีผลการพิธีกา ร, รมต่างๆก็มีผลมารดาก็มีคุณบิดาก็มีคุณโรคหนักก็มีโรคอื่นก็มี กรรมที่คนทําทั้งดีและชั่วก็มีคนที่ประพฤติปฏิบัติคือสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติปฏิบัติจนบรรลุผลเบื้องสูงก็มีแล้วก็โอปปาติกะสัตว์ก็มีตานคนที่มีความเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีความเห็นเขาจึงเป็นมิจฉาทิจจิเมื่อคิดเห็นว่าไม่มีความดําริก็เป็นมิจฉาสังกปะคือความดําริผิดเวลาพูดออกไปยืนยันออกไปประกาศออกไปว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มี ก็เป็นมิจฉาวาจาการกระทําโดยความเชื่อมั่นว่าสิ gaming, ่งเหล่านั้นไม่มีก we ็เป <ses> so ็นม so ิจฉากรรมันตะคือการงานที่ผิดมันผิดไปตลอดแถวคือสรุปว่ามันก็เข้าอีกมรคหนึ่งที่เรียกว่ามิจฉามรคคือทางผิดเพราะมันเริ่มที่มิจฉาทิจิคนเราพอเห็นผิดมันก็คิดผิดคิดผิดก็พูดผิดพูดผิดทําผิดทําผิดก็เลี้ยงชีพผิดเลี้ยงชีพผิดพยายามผิดพยายามผิดก็ตั้งจิตผิดระลึกผิดระลึกผิดก็ตั้งจิตผิดก็จบก็จบกัน คือออกไปนอกทางเป็นทางของมิจฉาทิฐิพระกุมารกัสสะได้แสดงธรรมะยืนยันในแนวเดียวกันเป็นการสะท้อนให้เห็นน่าไรว่าสัจธรรมนั้นมีอย่างเดียวพระอระหันต์กับพระพุทธ เ, ทเจ้าพูดเรื่องเดียวกันจะพูดเหมือนกันจะไม่มีความเป็นสองปัญหาว่าใครรู้ตัวสัจธรรมเหล่านั้นแท้จริงหรือไม่เท่านั้นเอง ในประเด็นนี้จึงยุติการลงการสง ก, รกันกับที่ทรงแสดงไว้ในที่อืน่นๆดแล้วข้อที่พึงสังเกตก็คือว่าสิ่งที่นำมาแสดงในชั้นของโลกียธรรมคือชั้นสังสารวัฏตกแต่งพบชาติไนดะ้มีความประนีตทิ้งขึ้นในด้านบวกคือด้านต่ำไอ้ด้านบวกด้านที่สูงขึ้นก็จะทรงแสดงกุศลกรรมบท10 ด้านที่ต่ําลงก็แสดงอกุศลกรรมบดสิบกุศลกรรมบทสิรรบจึงถือว่าเป็นมนุษยยธรรมเป็นธรรมะที่ทําคนให้เป็นมนุษย์แม้ว่าจํานวนองค์ธรรมจะมากมายกายกองถึงสิบข้อฟังแล้วน่ากลัวก็ตามแต่แท้จริงแล้วมันเป็นเองอย่างที่เคยอุปมาว่ามันเหมือนกับปลูกต้นไม้ต้นข็ให้ปลูกกัแล้วกันต่อไปในมันเกิดเพิ่มขึ้นเองจากต้นไม้ที่เราปลูก พุทธศาสนิกชนเราก็เหมือนกันข้อสําคัญก็คือปลูกต้นไม้คือสัมมาทิฐิขึ้นมานึ่นเป็นข้อที่สิบของกุศลกรรมบทเนี่ยได้ลงใช้คําว่าสัมมาทิฐิคือมีปัญญาเห็นชอบคนมีปัญญาเห็นชอบแล้วก็ย่อมจะแม้จะนะฮะแม้จะยังโลภอยู่แต่ก็ไม่ถึงอยากได้ของคนอื่นแม้จะโกรธอยู่ก็ไม่ถึงพยาบาทคนอื่นแล้วก็จะ ไม่ขาดศาตร์รักษาประพฤติผิดในการพูดเท็จพูดคําหยาบพูดสอนเสียดพูดเพื่อเจิดอท่ไหเนี่ยสมาธิิจะคุมเขาเองเมื่อเราปลูกต้นไม้ขึ้นมาต้นหนึ่งต่อไปมันก็จะสร้างรากสร้างต้นสร้างกิง่งสร้างดอกสร้างผลตามการเวลาตามเหตุปัจจัยมันกเกิดขึ้นเองสมาธิิจึงถือว่าเป็นทางถูกเป็นทางที่จะต้องจ่อวิธีชีวิตของเราให้ไปทางนี้ให้ได้เอ่อ การพิสูจน์ทดสอบตาที่พระกุมารกปะท่านใช้ก็เป็นวิธีที่ว่าจริงๆก็ออกเฉยเฉยแล้วคนคิดแบบเฉยเฉอย่างนี้ก็มีอยู่แยะในปัจจุบันจะคิดโดยอาศัยประสาทสัมผัสก็ทำนองจะเอาตาไปฟังเสียงซึ่งยังไงยังไงมันก็เป็นไปไม่ได้แล้วก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงภาวะชีวิตอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งคนเราที่สามารถมองปัญหาต่างๆโดยเหตุด้วยผลจะอุปมาจากตัวอย่างที่พระเถระยกยกให้ดูเนี่ยกนได้ยึงติดคุกมันก็เหมือนกับติดตะระไอ้บรรดาตกนรกเหมือนกับติดตะรงติดนรกก็เหมือนกับติดตารางเมื่อคนที่ตกนรกไม่สามารถมาหาเราได้ไอ้คนที่ติดตารางไม่สามารถมาหาเราได้ ฉันใดคนที่ตกนรกก็ไม่สามารถที่จะมาบอกกล่าวเรื่องนรกแก่เราได้ฉันั้นทีนี้คนที่ไปสู่สุคติที่พระเถระอุปมาให้เห็นก็เห็นได้ง่ายแต่เราจะจะพบว่าคนเราพอถึงสัมผัสสุขซึ่งไม่เคยสัมผัสนี่ยังไงก็ต้องติดสุขอยู่ระยะหนึ่งแม้จะคิดถึงญาติพี่น้องยังไงยังไงก็ตามอ่ะก็เพลินเพลิอนอยู่สักระยะหนึ่งซึ่งในขณะที่เพลินเพลิน ในความรู้สึกของคนเราอาจจะมองว่าเอออายุมันทำไมมากไป่คือมันอยู่ที่การปรับทั้งหมดคือเงื่อนไขทั้งหมดเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงไปไอความรู้สึกนึกคิดแบบที่คนคิดก็ไม่มีแล้วสมบเทศคือเราจะเอาไอความรู้สึกของเราไปคิดมันจะอยู่ได้ยังไงจะกินข้าวยังไงคือว่าคือเราไปคิดในรูปแบบของเราแต่เราลือไหว่ารูปแบบทั้งหมดนั้นมันเปลี่ยนไปหมดนะ ความรู้สึกนึกคิดสภาพอากาศสิ่งแวดล้อมปัจจัยต่างๆองค์ประกอบของชีวิตมันเปลี่ยนดังนั้นในในขณะที่เรารู้สึกวดเร็วออว่าช้าหลือเกินเนี่ยเขาเองเขารู้สึกว่าโลกมนุษย์มันเร็วหรือเกินทำไมวันเร็วอย่างนั้นทําไมคนยังจะอยู่กันได้ยังทาอะไรทันเหมือนนั้นอย่างที่มาลาภารีเทพบุตรท่านปราลบนี่ก็เทวดาเหล่านั้นในชั้นหนึ่งนี่ท่านบอกว่าโดยปกติแล้ว เทวดาจะไม่ยอมมาสู่โลกมนุษย์มาสู่โลกมนุษย์นะฮะท่านใช้คําว่าปารโลกคือโลกอื่นก็ไม่ใช่อยู่ในโลกเราจะไ ม, ไ, มไม่ยอมมาสู่โลกมนุษย์ที่การที่เทวดามาเฝ้าพระพุทธเจ้านั้นมาด้วยศีลัันโทคือกลิ่นแห่งศีลแต่ว่าในาขณะที่มาด้วยกลิ่นศีลพระพุทธเจ้าไอ้กลิ่นโลกมันก็ต้องสัมผัสท่านด้วยท่านจึงไม่นั่งมาเฝ้าพระพุทธเจ้านี่ไม่นั่งเทวดา เอกมันตังทิตาโคซาเดวตาผักวันตังขึ้นอย่างนั้นเลยเทวดามาถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วยืนอยู่หนะที่สูตรส่วนข้างหนึ่งแล้วก็ถามปัญหาเลยพอตอบเสร็จแล้วก็ตัดเทวันตราธาอันดาธานไปแล้วจากที่นั้นทุกจีเลยวันแป๊บเดียวมาแล้วไปแล้วเพราะว่าเขาบอกว่ากลิ่นมนุษย์นั้นปรากฏแก่เทวดาในที่ไกลถึงร้อยยอดเพราะงั้นจึงไม่ปรารถนาที่จะมาสู่โลกมนุษย์ เราไม่ต้องดูอะไรแร้วครับว่าในคนเราในในบ้านในเมืองเราเนี่ยคือแรงอะไรที่มันสกรปรกไม่น่าไปน่ารังเกีเยจเราก็ไม่อยากไปไม่มีความจําเป็นจริงๆก็ไม่อยากมาอย่างคนที่ก็อยู่ในที่อากาศดีๆเขก็ไม่อยากเข้ามากรุงเทพมาถึงหายใจหายคอก็ไม่ออกอะไรอากาศก็ไม่ค่อยดีเขก็ไม่อยากเข้ามานี่เราก็ดูกันได้จากตัวอย่างที่ลดหลั่นกันลงมาเนี่ยแต่ว่า พระเจ้าปญญาสิท่านก็ดือ้อแล้วก็รันของท่านไปอีกไ อ, เ, อ, เ, อเรื่องกาลเวลานั้นอย่างที่เคยพูดมาเมื่อตอนธรรมจกกักรวัตนสุทีงนะว่ามันเป็นเรื่องของความใหญ่โตแห่งดาวที่ท่านเหล่านั้นอยู่ก็ทําให้เมื่อเอามาเปรียบเทียบกันกับโลกของเราซึ่งเล็กอัตราเวลาไอโลกหมุนไอการการหมุนของโลกก็แตกต่างกันช่วงระยะเวลาก็ห่างกันออกไปเทีอย่างที่เคยบอกมาว่า โลกเหล่านี้คือโอกาสสโลกนะฮะโลกที่เป็นดวงดวงเป็นดาวเลยไม่ใช่สัตว์ตะวโลกหรือว่าสังขารโลกที่ใชาคำว่าเทวโลกเนี่ยไอส่วนสังขารโลกหรือมนุษณสโลกเทวโลกนั้นก็พูดอีกรูปหนึ่งอีกแนวน่ท่านไปอยู่ตั้งเท่าไหร่คือโลกเราผ่านไปตั้งร้อยปีท่านก็เพิ่งได้วันเดียว สมมติจะอยู่สักสามวันเนี่ยกายุกมันก็ผ่านไปสามสามรอปีเราก็ทนไม่ไหวแล้วนี่คือปัจจัยประการสองประการที่เราไม่สามารถไม่สามารถจะติดต่อกับเทพเหล่านั้นได้โดยเฉพาะคือญาติพี่น้องที่ตายไปแล้วก็เกิดเป็นเทพเนี่ยเป็นเทวดาเบื้องสูงนะครับประการต่อไปนั้นคือการพิสูจน์อย่างไม่มีเหตุผลซึ่งเราจะพบว่าความรู้สึกนึกคิดของคนเรา ในสองประเด็นนี้นะประเด็นโลกหน้ากับประเด็นของโอปปาติกะหรือแม้แต่ประเด็นของกรรมก็ตา่างที่เราถือกันว่าเป็นปัญหาโลกแตกแต่เท่าที่สังเกตเป็นการใช้เครื่องมืออย่างหนึ่งไปพิสูจน์อย่างหนึ่งตำนองจะพิสูจน์กลิ่นด้วยหูหรือว่าพิสูจน์จั ก, กรวาลด้วยกล้องจุลทัรศ แล้วพิสูจน์ไอเชื้อไวรัสด้วยกล้องโทรทัศน์คือคือว่าไอเครื่องมืออย่างหนึ่งแล้วจะเอาไปพิสูจน์อย่ากไหนเมื่อพิสูจน์ไม่ได้ก็สรุปออกง่ายๆว่าไม่เชื่อซึ่งปัญหาเหล่านี้ก็อาศัยที่ไม่คิดอย่างสมเหตุสมผลพระเจ้าปัญาสิเองนั้นเรามองดูว่าท่านมองการออกของท่าน การออกของชีวะหรือจิตหรือปฏิหรือจุดติจิตหรืออะไรปฏิสนธิวิญญาณแล้วแต่จะเรียกน ะ, ะก็มาเปรียบเทียบกับความคิดของเราเราคิดตีกันอุตลุดนี้ก็คิดเต็มกันไปหมดนความคิดคนเต็มไปหมดแต่ก็ไม่มีใครเห็นไคต่างคนต่างก็คิดกระแสความคิดมันไปวิ่งทับเส้นทางกันไปได้ตลอดมันไม่ได้กินที่เรื่องความคิดจิตใจที่ไปปฏิสนธิก็มีลักษณะอย่างนั้นซึ่งในข้อ น, นี้พึงเห็นอย่างหนึ่งว่า ไอ้พูดมาในรายละเอียดอย่างนี้ส่วนมากไม่ไม่ค่อยมีใครไปพูดกับพุทธเจ้าเพราะว่าคนสมัยนั้นมีพื้นฐานบารมีความสนใจในเรื่องนี้เขาสูงอยู่แล้วก็ไม่หาเรื่องมาคิดเป็นปวดหัวเล่นหรอกแต่สำหรับกับพระอาหารหันต์บางองค์ก็มีคนไปสักถามจู้จี้จุกจิกในรายละเอียดอย่างนี้พระเจ้าบายาสิสแสดงถึงตอนออกแต่พระเจ้าพระนาคเกษตรไม่ใช่ พระกุ ม, มารากาสปะแสดงถึงตอนออกแปะน้ากเกษณแสดงถึงตอนข้าวตอนเข้าถือปฏิสนธิในขันแสดงแนวเดียวกันก็ทรงแสดงถึงความคิดโดยยกอุปมาให้พระยามิลินคิดเข้าไปในหีบซึ่งวางใกล้ๆคิดเข้าไปแล้วแตนบอกคิดเข้าไปแล้วแล้วเข้าไปยังไงไม่ทราบไปข้าไปแล้วบอกการถือปฏิสนธิในคัน หรือในกําเนิดอะไรก็ตามมันก็มีลักษณะอย่างนั้นมันเป็นกระแสของความคิดซึ่งเราจะบอกจะบอกว่ามันเข้าไปรูปร่างอย่างไงเมื่อไร่อะไรต่ออะไรเนี่ยไม่ได้วันก่อนนี่ไปไประชุมว่าจริงๆก็เป็นจะไปเป็นพี่เลี้ยงเขานะฮะก็ขอเขาประชุมต่างวิชาการที่มาหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็บอกเขาว่าเวเขาก็อยากจะให้นั่งเพื่อนไปนั่งเพื่อนหน่อยเราไปถึงเขาไม่ให้เป็นเพื่อนอย่างเดียวก็ให้เป็นพี่เลี้ยงด้วยก็ <laughs> ลเลย ก็มีมีข้อหนึ่งที่ประเด็นหนึ่งก็ยังนึกขำขำอยู่คือไปถกเฉียงกันสัจจรองศัจจอาจารย์แสงจัน ง, งามท่านเสนอหัวข้อว่าตายแล้วเกิดจะมีหลักการวิธีการที่ถูกต้องตรงตามพระพุทธ ว, วจะนะทั้งหมดแต่คนที่มาถามไม่ได้ถามประเด็นนั้นถามประเด็นของปฏิสนธิบิญญาณมันเข้าไปยังไงเข้าไปเมื่อไรเข้าไปโดวยวิธีใดอันนี้คือเป็นรายผิเอย่อยมายังนึกนึกขำขำแต่ตอนนั้นมันก็ จะเลิกจะพักตอนเชียงในึกค้างๆมาเอ้ความคิดแบบที่พระน่ะพญามิลินคิดพญาปายาสิกคิดมันก็คิดกันอยู่อีกอะ่ะมันคิดกันแนวเดียวกันแล้วไปยุ่งมาทำไมเรื่องอย่างนั้นอ่ะ ม, มันเป็นประเด็นปลีกย่อยเฉยๆรู้แล้วไม่ได้สมเร็จมกผลอะไรขึ้นมาหรอกถ้าเรารู้เหตุแห่งความสุขแห่งสุขติแห่งทุกติแล้วเว้นเหตุแห่งทุกติสร้างเหตุแห่งสุขติก็พอแล้วไปยังไงนะั่นเป็นเรื่องรายละเอียด เรารู้ก็อธิบายให้คนอื่นก็เข้าใจไม่ได้ก็นั่งเถียงกันอีกคือเพิ่มปัญหาที่ให้โลกแตกขึ้นอีกหลายข้อขึ้นมาแค่นั้นเด้งไม่สําเร็จประโยชน์ในเชิงกา ร, รปฏิบัติแล้วเถียงกันอยู่นั้นต่างคนต่างก็ว่าจนหมดเวลาเลยอย่างนี้นก็เออก็ขำดีเหมือนกันว่าร่องรอยความคิดต่างๆนั้นยังบางทีก็ไปย่ําอยู่กับชี้อย่างที่โบราณท่านเคยสงสยัยเคยเครือบแคลงมาแล้วแต่ว่าพอมาถึงตัวอย่างสุดท้ายนะฮะ ตัวอย่างสุดท้ายเนี่ยพระเจ้าปายาสิท่านก็บอกว่าแม้ที่พระคุณเจ้าเทศมานี่เข้าทีนะแจม่มแจ้งชัดเจนเหมือนหงายของที่คว่าเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางสองประชีพในที่มืดเพื่อให้คนมีตาได้เห็นรูปแต่ผมมันก็ไม่ค่อยละทิฐินี้ไม่ได้นาะมันสีเหลี่ยมนั่นเนี่ยใครๆ ร, รู้นะว่าผมเนี่ยเป็นคนมีความเห็นอย่างนี้ พระเจ้าประเซนทีโกศลก็รู้พระมหาสารทั้งหลายก็รู้นักบวชทั้งหลายก็รู้ถ้าสละความเห็นนี้แล้วมันเสียเลี่ย ม, มากต่อไปเนี่เพื่อนจะไปเคารพในศักดิ์สิออยังอีกประเด็นหนึ่งก่อนจะถึงประเด็นนี้เนี่ยคือประเด็นตายนะประเด็นตายว่าคือ ออพอท่านปรับใจรับแล้วเนี่ยว่ามันมีนรกมีสวรรค์มีอะไรเนี่ยท่านก็ตั้งประเด็นขึ้นมาอีกประเด็นหนึ่งว่าเอาถ้าถ้าอย่างนั้นคนที่มั่นใจเนี่ยคนที่มั่นใจว่าตัวดีแน่นนอนว่าตายไปแล้วเกิดในสุคติ อย่างสมณพราหมณ์ทั้งหลายที่ประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้แน่แ น, นอนเลยเกินท่านตายแล้วท่านเกิดในสุกติเกิดในพรหมโลกอะไรเนี่ยแต่ทําไมไม่ฆ่าตัวตายไม่ผูกข้อตายไม่กินยาตายหมดหม ด, หมดไปจะได้เกิดในสวรรค์จะอยู่สบายสบายโลกมนุษย์แย่จะตายพระกุมารกัตสปะท่านบอกว่าไอ้คนชั้นนั้นเขาไม่คิดอย่างนั้นหรอกเขาคิดอย่างนั้นมากรุณชั้นพระเจ้าวายาสิคิดอย่างนั้ น, น, น, เ, น, นเพราะอะไรเพราะว่าท่านจะไม่เร่งอายุของท่าน สิ่งต่างหลายนั้นจะเป็นไปตามเงื่อนไขาตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติการจะเร่งอะไรที่ผิดธรรมชาติเนี่ยมันก็เหมือนกับพราหมณ์คนหนึ่งและเล่านิทานอีกคือจะเห็นว่าพระเจ้าปัญาสีนิปัญญาทําให้่เแกกล้าอะไรพูดโดยนิทานอยู่ตลอดเลยต้องอุปมาโดยนิทานตลอดต้องบอกว่ามีพรามณ์คนหนึ่งมีปัญญาสองคนพราหมณ์ตายไอ้ลูกชายที่เกิดจากเบียหลวงก็ไปบอกแม่เลี้ยง บอกแม่พ่อตายแล้วนะทรัพย์สมบัติทั้งหมดนี่เป็นของผมนะไอเด้งก็บอกว่าอย่ารีบเอาก่อนนะตอนนี้แม่ก็กําลังมีคันอยู่เรา่าไปแล้วก็เรียบร้อยเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ฉลาดประกุมารกาการเสพบอกแก้ปัญหาในลักษณะนี้เป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ฉลาดในที่สุดมันก็เสียหมดทั้งชีวิตทั้งลูกในครันทั้งทรัพย์สมบัติคือไม่ได้อะไรเลย แก้ปัญหาไปแล้วแทนที่จะได้ประโยชน์อะไรก็ไม่ได้อะไรเลยเป็นการแก้ปัญหาของคนทิมม่จฉลาดพอมาถึงตอนนี้แหละท่านก็อุปมาจะไอ้ท่านท่านก็ชื่นชมในภาสิตอย่างที่ว่าพระกุมารากัตสปะท่านก็บอกว่าความคิดของบาพิสิ์นี่มันก็เป็นเรื่องของอะไรคือคน ท, ทั้งทั้งที่รู้ว่ามันสิ่งที่ไปยึดไปถือนี่มันแยได้เกิ แต่ยังไปยึดไปถือเอาไว้แล้วก็เล่านิทานเปรียบเทียบในตอนแรกว่าพราหมณ์คนหนึ่งไปในที่หนึ่งไปพบกองอุจจาระใหญ่ก็นึกถึงหมูที่บ้านของตัวเองมันชอบอุจจาระก็โกอุจาระเหล่านั้นใส่ผ้าปลูกมัดเขาเทินศีรษะตอนแรกมันก็ทนกลิ่นเหม็นเฉยๆเตินไประยะทางหนึ่งฝนตก สะชาไอ้นั่นลงมาเปื้อนหมดเลยคนก็บอกไงาตาพรามจะบ้าได้ไงนั่นน่ะไปเทินขี้หมาเอเอไอ้คูดไปทําอะไรตนบอกคูดที่ไหนนี่อาหารหมูของฉันนั่นเนี่ยก็เทินไปยังงั้นน่ะจนเละหมดทั้งตัวเลยแล้วก็ไม่ได้อะไรเพราะมันไหลงลงตามตัวหมดนะอาหารหมูก็ไม่ได้แต่ตัวเองก็เปื่อนสกรปรกลเลอะเทอะมามมบนี่อการยึดถือแบกไอ้สิ่งที่เรารู้ว่ามันไม่มีประโยชน์แล้วมันใช้อะไรไม่ได้ แต่ยังแบกเอาไว้มันก็เหมือนกับรามแบกูดท่านก็ยังยังไม่เชื่อยังไม่ยอมรับพระเทราก็อุปมาอีกอุปมาให้ฟังว่ามีสหายอยู่สองคนไปเพื่อจะสแสวงหาทรัพย์สมบัติสแสวงหามาเลี้ยงสิ่งต่างๆมาเลี้ยงครอบครัวนก็เดินไปโดยลำดับนะฮะ เดินไประดับคือคือสรุปว่าไปพบสิ่งที่มีค่าสูงขึ้นโดยลำดับจนว่าพบเชือกป่านแล้วก็พบผ้าป่านคนแรก ก, แรก็ต่างคนคราวคราแรกต่างคนต่างก็เอาเชือกป่านเพราะมันมีเฉพาะเชือกป่านแต่พอพบผ้าป่านคนหนึ่งก็ทิ้งเชือกแต่เอาผ้าคนนั้นบอกกูไม่ทิ้งหรอกแบกมาเหนือ่อยจะตายเนะี่ยเอามานี่แหละก็ไปถึงพบได้ไอคนที่ได้ผ้าป่านมาก็ทิ้ง ทิ้งผ้าป่านไปเอาได้แต่คนนั้นก็ไม่ทิ้งยังแบกป่านอยู่ไปถึงพบผ้าไอ้คนที่ได้ได้ก็ทิ้งทิ้งได้มาแบกผ้าก็เปลี่ยนมาเรื่อยนะฮะมาจนถึงเหล็กจนถึงตะกรวจนถึงเหล็กจนถึงสำริดจนถึงเงินจนถึงทองคนหนึ่งก็เปลี่ยนเรืยแต่คนหนึ่งแบกป่านอยู่เรืยไม่ยอมเปลี่ยนอะไรก็ถือว่าแบกมานานแล้วไม่ยอมทิ้ง ในที่สุดคนหนึ่งก็นําทองกลับบ้านคนหนึ่งก็นําป่านกลับบ้านทาั้งๆที่ระยะทางนั้นมีโอกาสจะเปลี่ยนเปลี่ยนได้ทั้งหลายครั้งหลายหนแต่ก็ไม่ยอมเปลี่ยนไปถึงคนทั้งสองฝ่ายนั้นฝ่ายแรกก็ทำความผิดหวังให้คนที่แบกป่านก็ทำความผิดหวังให้แก่พันยาลูกเต่าญาติพี่น้องทั้งหมดก็มีแต่คนก็ชี้หน้าว่าเป็นคนโง่คนขรวคนไม่ฉลาดไม่รู้จักเลือก แด็กคนหนึ่งก็เป็นที่ชื่นชมยินดีของญาติพี่น้องครอบครัวและในการยึดถือความคิดเห็นอย่างที่พระเจ้าประ ญ, ญาสิท่านยึดถือทั้งคิดเห็นมันก็แนวเดียกับรู้ว่าป่านเนี่ยมันก็มีค่าน้อยกว่าผ้าป่าก็ยังไม่เปลี่ยนและยิ่งไปกว่านั้นคือมาไปเทียกับพองแล้วค่าบันห่างกันลิบโลกก็ยังไม่ยอมเปลี่ยนจึงกลายเป็นคนคนที่ สร้างความผิดหวังให้แก่ครอบครัวของตัวเองแลแม้แต่ตัวเองเพื่อนในที่สุดเมื่อพูดกันไปพูดกันมาก็ยอมยอมรับฟังความยอมเชื่อว่าโลกน้ามีสัตว์ผู้รอเกิดมีโอปปาติกะสัตว์มีก็ในที่สุดก็ขอว่าจะทำบุญทากุศลเพื่อสร้างทางสวรรค์ พระกุมารกัจสปะท่านก็แนะว่าแต่ท่านใช้คําว่ายันนะฮะใช้คําว่ายันคือยันนี่ถ้าที่สังเกตก็แล้วแต่จะพูดบางทีมันก็หมายถึงการปฏิบัติธรรมะนี่เองคือหมายความว่าโดยความหมายแล้วก็ยุติกันได้แต่สามารถปฏิรูปมาใช้หรือปรับมาใช้ได้ในที่นั้นท่านก็ใช้คําว่ายันเหมือนกันจึงต้องดูว่ายันนี่มันอะไรตรงไหนยังยกตัวอย่างว่ายัน ในสังหะเขาเรียกว่าราชสังฆะชื่อเหมือนกันฮะแต่ของพราหมณ์อย่างของพุทธอย่างชื่อเหมือนกันเลยทุกตัวเลยเขาเรียกว่าขึ้นถึงก็ปุริสสะเมตทะเมตทะเขาเรียกว่าฆ่าคนบุญชา ย, ยันของพราหมณ์ของพุทธใช้คําคเหมือนกันปุริสสเมตทะแต่แปลว่าฉลาดในการเลือกคน ข้าบรรจุทำงานมอบหมายงานให้ทำจะใช้ใครให้ตรงตามความถนัดความรอบรู้ความเจ้นิ้นานของเขาเป็นธรรมะของพระราชาพระเจ้าจักรพรรดิข้อที่สองวสัตสัเมทะแปลว่าะวะคฆาม้าของผากก็เราสัตสัเมทะเหมือนกันแต่แปลว่าการบำรุงการเกษตรกรรมส่งเสริมอาชีพอาณาประชาราษฎรตามสมควรแก่อาชีพของเขามีการชนประทานมีอะไรแต่ไรก็ว่ากันไว้ให้รายละเอียดไป ชื่อเหมือนกันนะครข้อสาก็เรียกว่าสัมมาปาสะของพรามนั้นคือโยนบ่วงเข้าไปแล้วก็ตั้งเป็นพิธีมนต์ทนเอาสาัตว์ปัปูก็ก็บ่วงตั้งเยอะแยะแล้วก็ฆ่าวิชาใหญ่ของเราเหมือนกันสัมมาปาสะเหมือนกันแต่กลายเป็นงานสังคมสงเคราะห์การช่วยเหลือประชาชนเช่นว่าพระราชาอาจจะใช้ เอาราชรัพย์เนี่ยให้ราษฎรกู้โดยมีระยะปลดปลดหนี้สมปีเพื่อให้การลงทุนส่งเสริมอาชีพประชาชนโดยรัฐออกเงินให้ก่อนแล้วมีระยะปลดหนี้เพื่อเพื่อให้ราษฎรเอาเงินนั้นไปลงทุนแล้วก็ค่อยผ่อนชำระให้แก่รัฐก็คล้ายๆกับอะไรธนาคารเพื่อการเกษตรกรอนนี่เราจะเห็นว่าพระพ เ, เจ้าท่านว่ามานานนะนะสอนมาเรียบร้อยแล้วข้อที่4ี่เาเรียกว่าวาชเปยยะ บรารชาเปะย์ยาดนี่ดื่มฮะดื่มกินสนุกสนานเบาไม้นของผลักเพราะเราบราชาเประ์ยาเหมือนกันแต่หมายถึงงานประชาสัมพันธ์ราชการผู้หลักผู้ใหญ่จะต้องพูดจาชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจด้วยวาจาสุภาพนิ่มนวลอ่อนหวานเป็นการดื่มนม้ําคําสร้างความรักความเคารพให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของประชาชนข้อสุดท้ายวันนี้รักคละ นิรักละคือทำลายสิ่งที่เป็นอุปสรรคทั้งหมดหของครามค่าแหลก <c oughs> คือเป็นญันที่ค่าแหลกหมดเลยของเราไม่ใช่นิรักขละเหมือนกันแต่ว่าเป็นการขาจัดสิ่งที่เป็นอุปสรรคของความเจริญในสังคมจนสังคมอยู่ร่วมกันโดยไม่ต้องมีริ่มสลักนิรัละแปลว่าปราศจากริมสลักคือไม่ต้องใส่กรอนประตูเปิดประตูทิ้ไงไว้จะไปอยู่ที่ไหนก็ได้โดยไม่มีใครมาขาโมย ไม่ไม่มีขโมยขึน้นโจรนี่คือคําที่ใช้แต่ เ, เราต้องดูเหมือนกันว่าคําเหล่านี้จะวางวางไว้ที่ไหนโดยความหมายของพุทธหรือของพราหมณ์เป็นปัญหาที่ชาวพุทธเราจะต้องเร่งหาความเข้าใจในเรื่องนี้เพราะตำหรับตํำราหนังสือหนังหาในปัจจุบันเนี่ยมันสอดใส่ยเยอะเหลือเกินอันอ่า น, า น, านไปเอาเจอนี่มันไม่ใช่พุทธนี่นะมาแทรกมาปนมาปลอมกันอยู่ในหลักธรรมทางศาสนา แต่ถ้าเราไม่รู้ว่าของเราคืออะไรนะครของเราคืออะไรก็คล้ายๆกับอะไรใกล้ๆกับคนที่ทาข้าวสารในสีข้าวสารเนี่ยคือมันแยกไม่ออกระหว่างแกละหว่างเม็ดข้าวกับระหว่างไอตัวข้าวสารจริงๆในที่สุดมันก็ปนกันไปหมดเลยก็หุงทั้งแกละทั้งข้าวเปลือกทั้งทั้งข้าวสารก็ปนกันไปแล้วในที่สุดมันกินไม่ได้คือต้องแยกออกให้ได้ว่าอะไรเป็นพุธอะไรเป็นพรามแล้วอะไรเป็นอะไร จะมีสัจธรรมที่เราเรียกว่าปฏิรูปนะฮะคือมันปลอมปนกันเยอะแยะไปหมดเลยในปัจจุบันหนังสือนหนังสบางเล่มนี่อ่านแล้วปวดหัวเลยไม่รู้เอาอะไรมาใส่เอามาจากไหนก็บไม่รู้ว่าอะไรไม่มีหลักมีเกณฑ์อนะไรนี่ยนี่นี่เป็นปัญหาที่ต้องเระามาัดระวังมากเพราะถ้าเข้ามาทางด้านวิชาการและเรายุ่งเราแยกไม่ออกใหญ่เลยแต่เราไม่มีพื้นฐานความรู้จึงถือว่าเป็นจุดอันตรายบางครั้งเราอาจจะ มายี่ข้ออย่างหนึ่งนะฮะแต่ว่าเนื้อในก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเจ้าปายาสิเมื่อตกลงจะทําบุญทําทานแล้วแตนี้แต่ว่าใช้คำว่ายันอย่างที่ว่านะพระกุบาลกัตถะท่านกป็ปฏิเสธยันในแนวในแนวของพระามทั้งหมดเบ่อยากทำยันอย่างนั้นยันอย่างนั้นเป็นการสร้างเป็นการกระทําเพื่อทําตนเองให้เดือดร้อนทําบุคคลอื่นให้เดือดร้อนก็เป็นความตกต่ําทางจิตใจ แล้วท่านก็แนะนำในการทำยันต์ก็คือการปฏิบัติสรุปแล้วก็คือแนวของกุศลกำหนดแนวของบุญญากริยาวัตถุสิคือท่านทั้งหลายอย่าไปคิดว่าหลายแนวนะฮะว่าว่าที่จริงก็อย่างที่บอกมาแล้วว่าเริ่มปลูกที่สามมาทิฏฐิเท่านั้นเองก็เดินไปเองแต่พระเจ้าปญ า, าสิก็นั่นแหล ะ, สะแสดงให้เห็นอย่างหนึ่งว่ามานะของท่านที่จริงไม่จางเท่าไรหร่หรอกแต่ว่าท่านท่านไม่รู้จะไปทางไหน คือมันจำนวนด้วยหลักฐานด้วยเหตุผลที่ท่านจะโต้แย้งไม่ได้เพราะการตอบปัญหาของพระพุทธเจ้าก็ดีพระอาหารหันต์ก็ดีถ้าที่ลองสังเกตมาฮนะว่าถ้าคนที่หัวหมอเคี่ยวลากดินมาอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้ากับพระอาหารหันต์ท่านจะไม่ค่อยอธิบายนะจะถามเอาจะถามเอารือยกอะไรมาแล้วถามแต่ที่จะอธิบายนะยกเรื่องอื่นเรื่องไม่เกี่ยวกับเรื่องนั้นนะ เติมาเชื่อมโยงข้าวแล้วก็ถามให้คิดเอาข้อนี้ก็เหมือนกันให้ลองสังเกตว่าพระกุมารากาสาปะท่านก็ไม่อธิบายอะไรแต่ท่านยกตัวอย่างยกเรื่องราวยกบุคคลยกเหตุการณ์เข้ามาตั้งและให้คิดเอาโดยมีจุดยืนของท่านก็คือว่าโลกหน้ามีสัตว์ผู้ลอยเกิดมีเท่านั้นเองเป็นการพิสูจน์ยืนยันตัวอย่างอุปมาณนั้นเป็นเครื่องเปรียบเทียบว่า พระเจ้าปั ญ, ญาสิท่านมีความเห็นอย่างไรในกรณีนี้แล้วก็เชื่อมโยงเข้าหาประเด็นซึ่งขัดแย้งกันอยู่อยู่คนละมุมได้พระเจ้าปัญญาสิพอจะให้ทานเข้าก็เกิดเป็นคนชี้เหนียวที่ละให้ทานก็ให้เฉพาะของที่ไม่ดีนะฮะคือว่าของเรียกว่าเหลือกินเหลือใช้ เ, เศษของกินของใช้อันนี้ต้องมองในประเด็นนี้นะมองในประเด็นของการทําบุญ ต้องการผลที่ประณีตไม่ใช่เป็นการสงเคราะห์อนุเคราะห์อย่างทานทั่ ว, วไปในชั้นนี้ท่านก็แบ่งเป็นาธาตสถานสหายทานสามีทานแบ่งเป็นสามชั้นทาตสถานก็คือของที่ให้นันสมบับิาตกินคือของ เ, ว เ, วเรวๆเศษๆเราเองก็ไม่กิน่ะทานประการที่สองเรียกว่าสหายทานคือหมายความว่าเป็นของที่เราต้อนรับเพื่อนเรา เราเองก็รับประทานด้วยเผื่อก็รับประทานด้วยอาหารที่ประณีตก็ถือวัตถุที่ประนีตนอกจากเงื่อนไขอย่างอื่นด้วยนะนอกจากว่าของนั้นต้องได้มาในทางที่ชอบทำนะไม่จะไปขายฝินมาให้ทานนะเกือบๆพูดแต่ว่าของที่ได้มาโดยชอบทำเป็นสามีทานคือของที่ประณีตกว่าของที่เรากินเรารับประทานเองนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นประณีตในด้านวัตถุแต่ต้องมีองค์ประกอบที่ได้มาโดยทำด้วยนะ พระเจ้าป ญ, ญาสิผลสุท้ายังนก็ให้ของที่เป็นประเภทธาสสถานแล้วก็มอบหมายตำแหน่งหน้าที่เอาให้อุตรมามนบเป็นคนจัด ก, การอุตรมามนบนั้นทำงานด้วยจิตนะฮะไม่ใช่ทำงานตามหน้าที่ซึ่งมีลักษณะผิดกก่นะฮะ กราข้าราชการที่รับราชการด้วยจิตใจที่ต้องการจะรับใช้ชาติบ้านเมืองเสียสละตัวเองเพื่อชาติบ้านเมืองในประสิทธิภาพของงานมันก็แตกต่างจากราชการที่ทํางานโดยอาชีพถือเป็นอาชีพอย่างหนึ่งทําเพื่อตัวเองไม่ใช่าทาเพื่อราชการก็ทําไปเซ็งๆไปงั้นเองที่ก็กลับก็บไปทํางานสายแล้วไปนั่งกินน้ําชาอ่านหนังสือพิมพ์นินทาเพื่อนอย่างนี้นหมดไปวันๆ ก็ได้เงินเดือนถึงปีก็รับเงินเดือนอถึงเดือนก็รับเงินเดือนทีหนึ่งไอผผิดผลต่างๆก็ไม่ได้เกิดขึ้นอะไรเท่าไหร่พระเจ้าบั ญ, ญาสิก็แนวนี้ครับขึ้นแน่ว่าให้ได้ทำนะไม่ได้ทากันแล้วกันแต่อุตละมานบถึงแม้จะเป็นคนรับใช้แต่ท่านทําด้วยวิญญาณของท่านโดยจิตใจของท่านที่มีความสํานึกว่าไองานในตําแหน่งหน้าที่เนี่ยที่มอบหมายให้ทํานั้นเป็นงานที่น่าทําและงานดีและท่านสามารถที่จะหาประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ได้ ก็พยายามให้ทานโดยเคารพในกรณีที่ตัวเองไม่มีนะฮะในกรณีวันไหนที่ตัวเองไม่มีตัวประพฤติอัิญญาณใหม่อัิญญาณใหม่คือบุญที่เกิดขึ้นจากการประพฤติอ่อนเนาะมีความเคารพในทานมีความเคารพในผู้รับทานมีความเคารพในกิจกรรมต่างๆสแสดงว่ามีความเอื้อเฟื้อพูดง่ายมีความเอื้อเฟื้อวันไหนที่ท่านมีอะไรของท่านท่านก็ให้ด้วยแล้วก็ให้ของที่ดีกว่าด้วยแต่ของที่ไม่ดีท่านก็ไม่ให้ ก็เป็นประเภทอย่างน้อยก็สหายฐานหรือสามีฐานคนที่จัดกิจการงานตรงฐานของพระเจ้าปายาสิคืออุตรามานบพระเจ้าปายาสิเป็นเจ้าของฐานเรื่องนี้ในที่สุดมันก็สรุปลงเพียงแค่พระเจ้าปายาสิตายก็อุตระามานบก็ตายแต่ก็ไม่ใช่ตายพร้อมกันนะฮะคือพูดตอนหลังแล้วพระสูตรนี้ก็ไปเชื่อมกับพระเทรซอีกอง์หนึ่งคือพระขวัมปติ พระกอมปตินั้นเป็นพระเทระยุคก่อนเป็นยุคของสหายพยาศาสนะฮะสุภาหุบุณชิวัมปติองค์นี้ท่านชอบปลีกเร้นแล้วก็ชอบไปในสวรรค์วิมานต่างๆแบบแบบพระโมคคัลลานะแต่ไม่ค่อยเทศเท่าไหร่ไม่ค่อยเทศเหมือนพระโมคลลานะก็ไปพบกับปายาสิเทพบุตรอยู่ในเสริสกาวิมานที่ว่าง พิมานมันมีพิมานนะฮะแต่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรว่างๆร่องๆก็อยู่จริงๆก็น่าจะนั่งกรรมาฐานนีู่หรอกก็เงียบๆเรียบๆตีก็สนทนากันสอบถามบุรับบพกรรมเขาเรียกว่าคุยเรื่องบุพกรรมคือพระอรหันต์ถึงแม้ท่านจะรู้พระท่านมีอยู่ตัวปปาร์ตยาณนะฮะแต่ท่านจะถามเพื่อให้คนนั้นก็พูดเขาเองโดยตัวเองไม่ไม่ต้องไปพูดแทนเขา มันก็มีน้ำหนักดีกว่าพระเจ้าปัญาสีก็เล่าประวัติความเป็นหมาของท่านถามว่าคุณเจ้าเคยได้ยินชื่อไหมพระเจ้าปัญาสีแล้วเสร็จแล้วท่านก็เล่าให้ฟังบอกว่าท่านก็เสียเสียอ้ตอนให้ทานเนี่ยไปให้ทานวัตถุที่ไม่ประนีตแล้วก็ไม่ได้เจตนาที่จะให้จริงๆริงก็ทไปเพราะว่าจํานวนด้วยเหตุผลด้วยหลักฐานแต่ให้เห็นว่าไอ้ความไม่เชื่อในท่านยังสูงนะฮะถ้าท่านเชื่อท่านรู้เหตุแล้วนะว่า จะไปสู่สวรรค์ยังไงไปนรกยังไงเนี่ยท่านท่านท่านต้องทำให้ได้ดีกว่านั้นแต่ท่านก็ไม่ทำแล้วในที่สุดก็สีใจว่าที่บรรณ า, น, าน้อยใจ ย, ยิ่งบืองกว่านั้นคืออุตรมามนพนี่ไปบังเกิดในดาวพฤดึกซึ่งเรื่องนี้ไปปรากฏในวิมานวัตถุอีกทีหนึ่งนะฮะแต่ว่าท่านก็นำมาบอกเฉพาะตัวนี้ไม่ให้รายละเอียดรายละเอียดไปอยู่ที่วิมานวัตถุ ซึ่งอยู่ในคุตกะนิกายนี้อยู่ในทีคณิกายเป็นคนเช่วงเล่มหนังสือยาวห่างกันหลายเล่มแต่ก็พูดถึงเรื่องเดียวกันพูดคนละตอนกันจกตัวอย่างที่ยกมานั้นต้องการที่จะนำหลักฐานต่างๆเพื่อจะยืนยันบุเพนิวาสารนติยานคือพระญาณนลึกชาติของพระองค์และของคนอื่นได้ของพระพุทธเจ้ากับจุตูปปาตยาน ด้วยจากการจุติการอุบัติของสัตว์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นด้วยแรงของกรรมหรือที่เราเรียกว่ากรรมวิปากรยานยานที่รู้กรรมและวิบากแข่งกรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงจำแนกแสดงไว้โดยละเอียดในที่ต่างๆมากมายเหลือเกินและที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือเป็นฐานสําคัญของชีวิตในชั้นโลกียธรรมอย่าลืมเรื่องพระยานสามของพระพุทธเจ้าคืนจัดสรู้เนี่ยพูดได้ชัดดูกันใด้ชัดที่คืนจัดสรู้นะพระเจ้าจัดสรู้อะไร จะสรู้อย่างไรมีขั้นตอนมีขั้นตอนมีวิธีการหลักการอย่างไงแล้วพอจัดสรู้อะไรมันเกิดขึ้นอะไรมันดับไปเนี่ยดูกันตรงนี้แล้วก็จับประเด็นกันตรงนี้เลยถึงจะเห็นได้ว่าปุเพนิวาสานวจิยานนั้นเป็นการรู้การเวียนไหวตายเกิดในสังสาร ว, วัฏว่ได้บรรลุภยานรู้ตลอดสายเลยเปล่งพระพุทธรูปฐานว่าเราเมื่อท่องเที่ยว เมื่อสแสวงหาอยู่ซึ่งในช่างคือตัณหาผูก้กระทำเรือนต้องท่องเที่ยวไปในสังสารวัตรเป็นอันมากการเกิดซ้ำเกิดซากนั้นเป็นทุกข์หรือเกิดทุกทุกครั้งที่เกิดทุกตลอดขบวนการของทุกแต่วันในที่สุดตอนนั้นท่านบรรลุแล้วนะฮะนเป็นพระพุทธเจ้าแล้วทาบอกว่าดูก่อนในช่างคือตัณหาผูก้กระทำเรือนคือกิเลสนะฮะหมายความกิเลสที่สร้างอัตภาพเนี่ย ตถาเนติปุริสังตัหาทําคนให้เกิดถ้าไม่มีตัหาคนไม่เกิดดูกรในนะช่างคือตัหาผูก้กระทําเรือนบัด น, นี้เราพบท่านแล้วท่านจะสร้างเรือนเกิดตาภาพให้แก่เราอีกไม่ได้เนะื้อรูปกรณ์ในการสร้างมีเรือนยอดมีอะไรเนี่ยโครงสร้างต่างๆเนี่ยโดยสรุปก็คือวิชานะเราได้หักพอดสิ้นแส่วนที่เกี่ยวกับความหลากหลายของกรรม มีอิทธิพลในความเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชั้นการเกิดนะฮะในชั้นการเกิดที่พูดถึงชนก ก, กรรมและในชั้นความเปลี่ยนแปลงในชีวิตประจำวันคือสูงขึ้นต่ำลงอะไรเนี่ยตามแนวของบุคคล4ี่ประเภทคือมืดมามืดไปสว่างอ่ามืดมาสว่างไปสว่างมามืดไปแล้วก็สว่างมาสว่างไปก็เป็นอิทธิพลของกรรมที่มีบทบาทร่วมอยู่ทุกกรณีของการดําเนินชีวิตในโลกนี้และก็ในโลกอื่น แสดงว่าชีวิตของเราก็เกี่ยวเนื่องกับกรรมอย่างที่ทรงแสดงเห็นว่าสัตว์โลกก็เป็นไปตามกรรมและนําตัวอย่างทุกชั้นเข้ามาให้ท่านทั้งหลายดูว่าที่ถกเฉียงกันอย่างรุนแรงในแนวนี้ก็มีไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าถ้าพระรหันทั้งหลายก็ยังยุติกับพระพุทธดรรรัตของพระพุทธเจ้าแล้วก็ยืนยันดังนั้นในพระสูตรเที่มายกถึงพระพุทธเจ้ารับสั่งในตอนต้น ว่าวาทะของใครก็ตามที่คัดค้านในเรื่องเหล่านี้เรียกว่ามีวาทะเป็นปฏิปักษ์ต่อพระอระหันต์ทั้งหลายในโลกคือตรงกันข้ามตรงกันข้ามกับพระอระหันต์ในโลกซึ่งปัญหาที่คนจะต้องกําหนดพินิจพิจารณาก็คือว่าในวาทะของนักวิชาการนักวิชาเกาินทั้งหลายเนี่ยกับพระอระหันต์เนี่ยเราจะเชื่อใคร ในกรณีที่เรายังไม่มียานอย่างรู้พอที่จะพิสูจน์ทดสอบถึงเรื่องเหล่านั้นระหว่างพระพุทธเจ้ากับพระาอารหันต์กลุ่มหนึ่งกับระหว่างคนนักวิจ า, ารณ์ทั้งหลายจะเป็นด็อกเตอร์ส ก, กีปริญญาก็ตามเเราจะเชื่อใครเท่า น, นั้นเองแล้วถ้าเราปรงใจเชื่อใครได้สมมติว่าเชื่อสายพระพุทธเจ้า เราก็ยึดหลักของตถาคาตโพธิสัตว์คือเชื่อการจัดสรู้ของพระพุทธเจ้าเมื่อเชื่อการจัดสรู้ของพระเจ้าทําให้เชื่อพระญาณของพระพุทธเจ้าทั้งหมดอย่าลืมว่าพวกนี้นอกจากนั้นยังอยู่ในพวกอจินไต่นะฮะพวกเนี้ยยังอยู่ในพวกอจินไต่อจินไตยนั้นมีอยู่สอจินไตยคือเรื่องที่คิดเอาไม่ได้แต่ต้องลงมือปฏิบัติทดสอบกันเลทดสอบกันก็คือพุทธวิสัย วิสัยของพระพุทธเจ้าหลายเรื่องบางเรื่องนะไม่ใช่ทุกเรื่องหรอกบางเรื่องเราก็รู้ได้นั่นก็คือวิสัยของพระพุทธเจ้าวิสัยก็คืออำนาจที่ที่ที่คนนั้นเขาทำได้เขาเป็นได้คล้ายๆกับการกระโดดอะไรตัวอะไรของนักยิมนาสติกเนี่ยมันเป็นวิสัยของนักยิมนาสติกการว่ายไปในน้ำได้ของปลามันเป็นวิสัยของปลา การอยู่ใต้ดินได้เป็นวิสัยของไส้เดือนการบินได้เป็นวิสัยของนกเป็นต้นนี่คือวิสัยหมายความวาอำนาจของเขาเป็นเป็นเป็นบางอย่างก็เป็นความสำเร็จโดยกําเนิดบางอย่างก็เป็นความสำเร็จโดยการฝึกปลืออบรมนะบางอย่างก็บวกกันทั้งสองอย่างก็แล้วแต่นี่คือวิสัยวิสัยหนึ่งก็เป็นกรรมวิปากวิสัยเป็นวิสัยคือคือค อ, อานาจกฎเกณฑ์เงื่อนไขของกรรมและวิบากกรรม ในรายละเอียดที่เจาะลึกจริงๆเราเจาะไม่ได้เราไม่มีพุทธยานเราไม่มีกรรมะวิปากยานที่จะประจําแนกอย่างนั้นได้ถ้าเราเชื่อพระเจ้าเราก็ดูว่าหลักตรงนี้พระเจ้าแสดงว่าไงมันก็ตรวจสอบเช็คได้อยู่ตลอดที่จริงพฤติกรรมทั้งหลายนะฮะที่เกิดขึ้นในโลกเนี่ยถ้าเราจะหาข้อยุติโดยไม่สับสนไม่ให้ความต้องการแก่ตัวเองเกินพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยมันมีมาตรการที่จะตัดสินได้ตลอดเลยไม่เคยออกนอกเหนือคําสอน แต่เราต้องดูว่าเราต้องเอาพฤติกรรมนั้นมาดูว่าตรงเนี้เมื่อมาเหตุเกิดอย่างนี้พระเจ้าเคยแสดงไว้อย่างไงในที่ไหนแสดงกับใครเราพูดกันได้ตรวจสอบได้แต่มีข้อแม้ว่าต้องเชื่อเชื่อในการสัตวรูปของพระองค์ถ้าเราไม่เชื่อเราก็ไปตรวจสอบแล้วเราก็ไม่เชื่ออีกอะ่ะมันก็ไม่เชื่ออยู่งั้นอะ่ะกินแถวไปตลอดไปเรื่องย่างหนึ่งก็คืออิทธิวิสัยวิสัยของท่านผู้มีฤทธิ์นะฮะิถาวิสัยของท่านผู้มีฤทธิ์ ฤทธิ์นั้นก็เหมือนกันถึงเข้าใจว่าบางครั้งนั้นมันเป็นก็เรียกว่าปุญญวัโตอิชิคือเป็นความสําเร็จโดยบุญของคนนั้นบางทีก็เป็นความสําเร็จโดยบาปบางทีก็เป็นความสําเร็จโดยกําเนิดมันก็พูดไม่ได้เนี่ยคออยือยังยังนกบินได้ปลาว่ายน้ําได้ที่ว่าเนี่ยมันเป็นความสําเร็จโดยโดยกำเนิดของแกก็เป็นฤทธิ์อย่างหนึ่งเหมือนกันนะฮะ ทำไมแก บ, บินได้เราบินไม่ได้นั่นก็คือความสําเร็จโดยกําเนิดั้งแกคํว่าอิทธิฤทธิ์เนี่ยคือความสําเร็จนั้นก็มีอยู่ทั้งสิบข้อที่เราพิสูจน์กันได้เราก็พิสูจน์ได้ทั้งสี่ข้อเช่นว่าวิชามายะอิทธิคือความสําเร็จในด้านวิชาการต่างๆไปบนอากาศได้ไปลงดวงจันทร์ได้ดําลงไปในน้ําได้ อ, อะไรต่อเนี่ยความสำเร็จโดยวิชาการก็ น, นี่ก็ก็เป็นฤทธิ์ประการเนี่ยแต่ว่าบางอย่างนั้น พิสูจไม่ได้ต้องลงมือประพฤติปฏิบัติได้จะมานั่งทําการวิเคราะห์วิจัยที่เอาตาไปฟังเสียงนี่ไม่เอาไม่ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือโลกจินตาคือเรื่องโลกโลกใครสร้างสร้างมาเมื่อไหรสร้างโดยใครไม่ไม่ว่าอย่างไงฮะมันชนพ่อมหมดคิดไปไม่ได้มันต้องเป็นโลกวิทูจึงพูดได้โลกวิทูคือรู้แจ้งโลกพอรู้แจ้งโลกพระพุทธเจ้าเองท่าก็ไม่พูดอีกอะเพราะมันยิ่งไกลตัวเองออกไปทุกที ในสุดนั่งพูดแต่เรื่องของคนอื่นไม่ได้พูดเรื่องตัวเองไม่ได้วิเคราะห์ตัวเองตรวจสอบตัวเองนิธิการพุทธศาสนาเลยพยายามให้ศึกษาโลกคืออัตภาพนี้ชีวิตร่างกายนี้โดยไม่ดึงคนให้ไปไกลมากไปอย่างนั้นประสูตรทั้งหมดที่เกี่ยวเนื่องมาตั้งแต่ต้นนะฮะเริ่มจากมหากรรมวิพังกรสูตรมาจริงมันก็เริ่มมาจากกาลามาสูตรมาต้องการจะปรับฐานในด้านนี้เพื่อให้ท่านทั้งหลายเห็นความเชื่อมโยงของพระพุทธดํารัต ในแง่มุมต่างๆทั้งของพระธรรมแะของระสาวกแล้วก็เงื่อนไขที่ที่มันมีการโต้แย้งกันในสองประเด็นนะก็เน้นที่สองประเด็น น, นั้นเองตั้งหลายประสยที่ที่ยกมาเนี่ยเพื่อให้เกิดเป็นอะไรเกิดเป็นกรรมสักตาสมารชิตคือปัญญาที่เห็นชอบในเรื่องกฎแห่งกรรมกับเรื่องกฎแห่งสังสารวัฏความมีอยู่ของโลกหน้าของผลบุญผลบาปซึ่งอย่างน้อยที่สุดนะครับ ถ้าเราปรับใจให้ยอมรับในจุดนี้ได้เราก็จะกระทำความดีหรืออย่างน้อยมีจุดยืนอยู่ที่การกระทำความดีตามนัยยะสุดท้ายของกาลามาสุรที่ว่าเมื่อเราทำความดีแล้วถ้าหากว่านรกสวรรค์ไม่มีก็ไม่มีปัญหาอะไรก็เราก็อยู่อย่างไม่มีเวรมีภัยกับใครในปัจจุบันถ้านรกสวรรค์มีเราก็เกิดสวรรค์ก็ได้สองต่อแต่ถ้าคนไม่เชื่อ ใจจะไหลไปตามอำนาจของกิเลสและจะทําความชั่วมากถ้าทําความชั่วไปแล้วนรกสวรรค์ไม่มีก็สาหัสสา ก, กันในโลกนี้ถ้านารกสวรรค์มีก็ตกนรกอีกก็เสียทั้งสองต่ออย่างน้อยก็เสียหนึ่งนะฮะถ้าทําความชั่วเสียหนึ่งแต่ถ้าทําความดีก็ได้หนึ่งทําความดีจึงไม่มีเสียมีแต่ได้หนึ่งหรือได้สองก็โลกนี้ก็โลกอื่นดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสแสดงบางทีก็สแสดงตรงตัวไว้เลยนะฮะเช่นว่า บุคคลผู้มีบุญอันได้กระทำไว้แล้วย่อมเพลิดเพลินในโลกนี้ละไปแล้วคือตายไปแล้วก็ย่อมจะเพลิดเพลินเขาย่อมจะเพลิดเพลินในโลกทั้งสองเพราะมีความรู้สึกว่าบุญเราได้กระทำแล้วในการบรรยายในพระสูต์ในวันนี้ก็ขอยุติไว้ในเวลาเพียงตอนนี้ที่สุดนี้ขอความดุเดินในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่ว ก, กัน